การภาวนาไม่ยากนะอยู่ที่ต้องทาเอาต้องรู้สึกอยู่ในตัวเรานะไม่มีใครสอนธรรมะเราได้ร่างกายจิตใจนี่แหละเป็นคนสอนธรรมะเราเนี่ยครูจริงๆเลยพระพุทธเจ้าบอกวิธีให้เป็นผู้บอกทางให้มาเรียนรู้จากกายจากใจของแต่ละคนแต่ละคนต้นทุนของการภาวนาคือกายกใจของเรานี่แหละ เนี่ยีปทิ้งต้นทุนของเราซะนะคนไทยทําอะไรต้องทําเล่นๆ น, นะอะไรที่เล่นเนี่ยเอาจริงเอาจังอะไรที่ทําจริงกไม่เอาหรอกนะอย่างเล่นพระเครื่องนะหมวกมุ่นนะวันๆสองแต่พระตะเวนแต่หาแต่พระอะไรเนะี้ยลืมลูกลืมเมียเลยบางคนคนเล่นต้นไม้สนใจแต่ต้นไม้เอาจริงเอาจัง ทุ่มเทชีวิตจิตใจนะจดจ่อส่วนงานประจํางานจริงๆเราเราทําเป็นงานอดิเรกทําเล่นๆ <c oughs> งานเล่นๆนะั้นเร า, เาจริงลองมาภาวนาเล่นๆหนหลวงพ่อเนี่ยหัดภาวนานะภาวนาเล่นๆภาวนารู้สึกสนุกที่ได้ภาวนาตอนเด็กๆเรียนกับท่านพ่อรีสอนให้ทำอานาปณะสติ ม, มาทำอนาปนาสติรู้สึกสนุ ก, กนวิ่งเล่นแบบเด็กอื่นๆก็วิ่งเหมือนกันนะแต่เวลาถึงเวลาเราก็มาภาวนาหายใจโดยเฉพาะตอนก่อนนอนคือตอนจะนอนนี่อยู่คนเดียวอยู่ในมุ้งคนเดียวสบายๆผู้ใหญ่ก็ยังไม่นอนเรานอนก่อนคําชิงไม่นอนหรอกนั่งภาวนาไปบ้างเมื่อไเราก็ลงนอนภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทฝึกอยู มาเจอหลวงปู่ดุลตอนอายุ29แล้วทาแต่สมาธิอยู่22่สิสปีเจอหลวงปู่ดุลสารให้ดูจิตดูแล้วสนุกดูทุกวันไม่เลิกเลยยิ่งดูก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะอของไม่เคยรู้ก็ได้รู้ของไม่เคยเห็นก็ได้เห็นของไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจเห็นด้วยตัวเองรู้สึกสนุก จิตเนี่ยทำงานได้เยอะแยะมากเลยนะจิตทำงานได้เยอะแยะเลยเป็นสิบสิบอย่างเลยลักษณะของจิตที่ทำงานนะไปดูก็ได้ไปฟังก็ได้นะไปดมกลิ่นก็ได้ไปรู้รสก็ได้นะไปรู้สัมผัสทางกายก็ได้ไปคิดนึกทางใจก็ได้นะไปรับอารมณ์นะไปส่งข้อมูลก็ได้นะส่งข้อมูลเข้ามาพิจรารณา สภาวะทั้งหลายก็ได้ตัดสินใจก็ได้เสพอารมณ์ก็ได้นะสะสมวิบากเอาไว้ก็ได้ทำได้สารพัดเลยจิตเนวิจิตพิสดารเรียนก่อนจะเจอหลวงปู่ดูลเคยหัดพิจารณากายแล้วรู้สึกตื้นดูแล้วมันระเบิดหมดแล้วได้จิตอันเดียวก็ไปต่อไม่เป็นเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตรู้สึกสนุกสนุกนะ จิตที่ชั่วก็มีจิตที่ดีก็มีจิตไม่ดีไม่ชั่วก็มีนะมีหลายแบบจิตที่สุขก็มีจิตที่ทุกข์ก็มีจิตไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีนะจิตที่หยาบก็มีจิตที่ละเอียดก็มีนะนานาชนิดเลยรู้สึกสนุกที่ได้เรียนเพอมันมีฉันทามีความเพลิดเพลินพอใจที่จะศึกษานะก็ขยันเกิดวิริยะเหมือนอย่างเรามีงานอาดิเรกเราเล่นสมมว่าเราเล่นสแต็ม เ, เล่นอะไรเล่นต้นไม้อนะไรเนี่ย มันมีความสุขที่ได้เล่นมันมีความสุขแล้วมันเกิดวิริยะนะภาคเพียนสนใจมากเลยภาคเพียนนี่พอเราสนใจเรื่องการปฏิบัติแล้วก็ขยันปฏิบัติเกิดวิริยะจิตใจก็จดจอ่ออยู่กับการปฏิบัตินะนี่เรียกว่าจิตตะนะคือมีสมาธิขึ้นมาจดจอ่ออยู่ในสิ่งที่เราทำเมื่อเราทำด้วยความรักด้วยความชอบ การใช้ปัญญานะก็เคล้าเคลียพิจารณาแต่เรื่องการปฏิบัติเรื่องจิตเรื่องใจเป็นวิมังสาถ้าเราพานาเรามีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาหรือว่าอิทธิบาทมีอิทธิบาทอย่างนี้นะความสําเร็จจะเกิดขึ้นอิทธิบาทเป็นองค์ธรรมที่ให้เกิดความสําเร็จแต่ถ้าเราไม่ได้รักการภาวนานะวิริยะก็ไม่มี ความใส่ใจก็ไม่มนะีการจะค้นคว้าพิจารณาอยู่ในการปฏิบัติก็ไม่มีเอาเวลาไปค้นคว้าเรื่องอื่นหมดมันก็ไม่สําเร็จงั้นเราต้องมีฉันทะให้แทนเสีย ก, ก่อนนะปลูกความรักในการภาวนาบางคนมันรักภาวนามันแต่เกิดเขาชาติก่อนๆเคยภาวนาถ้าคนไหนไม่เคยอาจจะต้องอาศัยศรัทธานะเราดู พระพุทธเจ้าดูประวัติภาษาวกนะท่านก็ดีนะแต่ละองค์แต่ละองค์ต่อสู้มาเป็นแบบอย่างที่ดีหรือหลวงพ่อเนี่ยจะเห็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ไปเล่าไปเรียนด้วยนะแก่เท่าขนาดไหนก็ตามนะทุกองค์เลยนะรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขอยู่ในตัวเองบางองค์เจ็บหนักนะนอนหายใจขมิลขมวลนะตาที่ใสกลิบเลยนะ สดชื่นมีความสุขอยู่บางองค์เป็นอัมพาตเดินไม่ได้นั่งอยู่บนรถเข็นนะจะกลืนน้ําลายยังไม่ได้เลยเวลาจะกลืนน้ําำลายแนละ้วน้ําลายออกมาเนี่ยลูกศิษย์ก็เอาเครื่องดูดไปดูดให้ดูดอยู่อย่างเนี้ทั้งวันทนะ่านนั่งอยู่บนรถเข็นเราก็นั่งอยู่ที่พื้นใกล้ๆท่านท่านก็ปลารบทำมาให้ฟัง สุขแท้น้อสุขแท้น้อเรามองท่านฮะถ้าเราเป็นอย่างนี้เราต้องทุกแท้น้อเลยเราไม่สุขหรอกนะเมื่ท่านดูท่านดีแต่ละองค์แต่ละองค์นะดูสอาดดูหมดจนดูร่มเย็นเข้าใกล้เรารู้สึกร่มเย็นเป็นสุขดูฉลาดไม่มีองค์ไหนดูโง่สักองค์เลยนะไปสัมผัสแล้วทําไมคนแก่ๆทั่วไปไม่เป็นอย่างนี้ ครูบาาจารย์ยิ่งแก่ยิ่งงามทัท้งที่ท่านร่างกายท่านก็สุดสมเหมือนคนทั่วๆไปแต่ดูผ่องใสงดงามดูมีเมตตาดูเลย น, <c oughs> นี่เพิ่งขึ้นไปเชียงใหม่รอบหลังเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเองยังแฝะกลับครูบาอาจารย์องหนึ่งคือหลวงปู่ดงทีที่บันฟอนงามงามส ม, มมากเลยนะนั่งรถเข็นนะแต่งามงามใจนี่เยน็นช่าเลย ใจที่ฝึกมาดีนะร่มเย็นมีความสุขแล้วก็อยากเป็นอย่างท่านบ้างแล้วท่านทำยังไงอยากเป็นอย่างท่านไม่ได้ไปขอท่านนะพวกเราบางทีอยากเป็นเหมือนหลวงปู่หลวงปู่ขอให้ผมได้เป็นอย่างหลวงปู่หรือใครมาขอขอให้ได้รู้อย่างหลวงพ่อรู้อะไรเงี้ยนะหลวงพ่อบอกอยากรู้อย่างหลวงพ่อรู้ก็ต้องทำอย่างที่หลวงพ่อทำนะจะมาเอาผลแต่ไม่เอาเหตุไม่ได้หรอก นี่เราก็ดูครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านทําอะไรท่านก็สอนวิธีปฏิบัติให้เรานะแต่ละองค์แต่ละองค์มันก็ลงเป็นเนื้อเดียวกันลงอันเดียวกับคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองให้เรามีสติขึ้นมานะคุ้มครองรักษาจิตตัวเองไว้กิเลสได้เกิดเรารู้ทันนะเราจะได้ศีลขึ้นมาความฟุ้งซ่านเกิดเรามีสติรู้ทันได้สมาธิขึ้นมานะใจไหลไปแล้วเรารู้แจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาหัดแยกถ้าตุแยกขันไปนะ ดูเวลาท่านพูดดูเวลาท่านทํานะเห็นเลยว่าเป็นกิริยาที่ทำไปเท่านั้นเองใจท่านไม่เข้าไปคลุกกอะไรเลยนะใจท่านเบิกบานมีความสุขเป็นอิสระใจเรานะตะครุบอารมณ์โน้นตะครุบอารมณ์นี้ทั้งวันนะไม่มีอะไรจะตะครุปก็ตะครุบตัวจิตขึ้นมาเองใครเคยเห็นจิตยึดถือจิตมัง้งเคยเห็นไหมโอ้มันชื่นได้นะแปลจับมาแล้วไม่ปล่อยหรอกไม่ยอมปล่อยอ่ะ ดูครูบาอาจารย์นัโปร่งเบาอยากเป็นอย่างท่านต้องพยายามทําอย่างท่านท่านสอนให้ทำอะไรเราก็ทําไปเรื่อยๆอย่างท่านพลีบอกหลวงพ่อให้ใช้เข้าพูดหายชจออกโทรนับหนึ่งนับสองนับไปเรื่อยทาไม่เลิกเลยไม่ต้องสั่งซ้ําเลยหลวงปู่โดนบอกให้ไปดูจิตก็ดูทุกวันเลยไม่เลิกเลยไม่ต้องมาสั่งครั้งที่สองแนละ้วครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรก็ทํทททาทําตามท่านไปนะด้วยความศรัทธาก่อท่าน ศรัทธานี่มาจากการที่เราเห็นท่านท่านท่านนาดูท่านงดงามนะคนแก่ทั่วไปก็เลอะเลือนเือนห ล, ล ง, ลงอารมณ์ร้ายนะลูกหลานไม่มาก็ด่าลูกหลานมาก็ยังด่าติดพันด่าอีกเจอหน้าก็ด่าว่ามึงไม่รู้จักมาเยี่ยมอีกคนเนอะคุณมันเลยไม่มาอีกเลยนะเพราะว่ามาทีไรก็โดนด่ามันจะมาทำไมอะ่ะใช่ไห ยังไปหาครูบาอาจารย์เจอทีไรก็ร่มเย็นเป็นสุขอยากไปหาผู้หญิงหลายคนอ่ะสามีไม่กลับบ้านกลับมาทําไมนางปีศาจอยู่ที่บ้านแล้วเากลัวผีหน้านิวช่วขี้ขมวดแยกเขี้ยวยิงฟันเนาะถ้าใจิตใจมันร่มเย็นเป็นสุขนะเดี๋ยวมันก็ซานมาตายหลังะยังก็มาหรอกมันไปไหนไม่รอดหรอกมันมีความสุขเราเห็นตัวอย่างที่ดีนละมีฉันทะที่จะภาวนาขยัน คำว่าขี้เกียจเนี่ยไม่อยู่ในสาระบบเลยขยันภาวนาภากเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะจนเห็นผลมาเป็นลำดับมาบวชมีความสุขมากถ้าพวนาไม่เป็นมาบวชเนี่ยทุกข์มากเลยนะอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนอยากกินของร้อนได้ของเย็นอยากกินของเย็นได้ของร้อนถ้าภาวนาเป็นนะมีความสุขมากเลย ชีวิตมันโปร่งชีวิตมันล่งเบาภาวนาไม่เป็นนะทุกข์มากเลยนะทุกข์อยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนนะอยา ก, ไ ป, ยกไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้นะมีแต่ข้อห้ามเต็มไปหมดเลยนี่พวกเราพอวนาเข้านะคนไหนในอนาคตพร้อมแล้วจะบวชนะก็ไม่เป็นไรยังไม่พร้อมก็อย่าไปบวชมันนะไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องบวชบวชไม่ใช่โซลูชัน วัดก็เป็นโลกๆลกหนึ่งเท่านั้นเองมีเวลานิดหน่อยนะใครจะส่งกันบ้านให้ผู้อยู่วัดกันวานที่หลวงพ่อสอนให้นั่งสมาธิแบบสบายๆอะคะ่ะอืก็พอพอนั่งได้แล้วคะ่ะทีนี้ตอนที่นั่งไปได้สะพังก็จะรู้ว่าจิตเคลื่อนไปจับออการปรุงแต่งเ อ, อแล้วก็ไปไปเพ่งที่จมูกเลยคะ่ะอืก็เลยผ่อนคลายทีนี้ตอนที่หนูจะผ่อนคลายอะ <c oughs> ไม่ทราบว่าถูกไหมคือหนูก็เลยย้ายไปดู กายแทนถูกไหมคะแค่นั้นเป็นอุบายเป็นอุบายใช่ไหมคะแล้วหนูต้องทำไงต่อคะอย่าหลงอุบายนะเดี๋ยวกลายเป็นเจ้าเล่ยเพทุบายอุบายใช้เป็นครั้งคราวเมื่อจํานเป็นครั้งคราวนะคะแต่ว่าใช้หลักรู้ทันรู้ทันว่าบังคับอยู่ค่ะค่อยๆรู้ไปค่อยๆรู้ทันไปนะมันต้นเหตุของการบังคับก็คือโลภรู้ทันโลภตัดต้นตอมันมันก็เลิกเพ่ง ส่วนถ้าเพ่งตรงนี้เราย้ายไปที่นี้แก้ได้ชั่วคราวเพราะต้นต่อมันยังอยู่ออหลวงพ่อคะตรงตรงที่ดูว่ามันตื่นเต้นอย่างเงี้ยมันถูกไหมคะตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นแต่อย่าไปบังคับมันตื่นเต้นไม่เป็นไรนะแต่ไปบังคับมันเนี่ยบังคับนะคะตึงเครียดรู้สึกไหมกดไหมอย่าไปกดมันสวมหัวใจเด็กไว้เด็กมันตื่นเต้นมันก็ตื่นเต้นนะอื แล้วอย่างตอนเดินจงกรมอะค่ะตอนเริ่มเดินเนี่ยนะคะมันก็จะยังฟุ้งซ่านอยู่ค่ะเดินไปสักพักหนึ่งมันก็เริ่มสติดีขึ้น เ, ออเริ่มรู้กายไปเรื่อยๆแต่พอเดินต่อไปมันก็จะเริ่มกลับมาฟุงา้งซ่านอย่างนี้เราควรจะหยุดเดินแตก่อนไม่ห <ไป S 2> ยุดนก็<อ>เดินไปเรื่อยๆดูะ ค, ะความเปลี่ยนแปลงไปเด้วยเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้ถ้าเรายังมีสติอยู่เราภาวนาไปช่วงนี้ก็เริ่มฟุ้งๆ เริ่มเริ่มรู้สึกฟุงขึ้นเรื่อยๆไม่ห้ามมันฟุงรั่วฟุ้งละใจยินดีหรือใจยินร้ายต่อฟุ้งยินร้ายครับให้รู้ทันตัวเนี้ฟุงไม่ใช่ปัญหานะตัวยินร้ายเป็นปัญหาพอยินดีหรือยินร้ายขึ้นมาจิตจะปรุงต่อเลยนะส่วนสภาวะทั้งหลายนั้นเป็นแค่ตัวมายุ่อจิตเท่านั้นยุ่อให้ยินดียุ่อให้ยินร้ายพอยินดียินร้ายก็ปรุงแต่งต่อสร้างพบสร้างชาติภายในต่อไปองสร้างทุกข์ขึ้นมาอีก ยันเราสภาวะอะไรก็ได้นะจะสุขหรือทุกข์ก็ได้จะดีหรือชั่วก็ได้นะจะหยาบหรือละเอียดก็ได้นะจะอยู่ข้างในข้างนอกอะไรสภาวะอะไรไม่สําคัญหรอกแต่เมื่อรู้สภาวะแล้วนะจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันไม่ห้ามด้วยนะยินดีก็ได้ยินร้ายก็ได้แต่ให้รู้ทันมันจะ ด, ดับของมันเองต่อไปมันจะรู้ทุกอย่าง่เป็นกลางอันนี้กลางด้วยสติ พอเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับไปดับไปมากเข้ามากเข้าต่อไปเป็นกลางด้วยปัญญามันรู้ว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปลกลางด้วยปัญญาเนี่ยเป็นประตูแห่งอริยมามันะ่งเบื้องต้นเอากลางด้วยสติคือรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางไปก่อนนั้นมันจะเป็นกลางชั่วคราวนะแล้วก็มาดูสภาวะไปเรื่อยเรื่อยเแต่ไปพอดูมากๆเข้าจิตมันเข้าใจความจริงนะอย่างความสุขเกิดขึ้นมันก็รู้สุขชั่วคราวทุกข์ชั่วชั่วคราว สุดท้ายจิตมันจะเป็นกลางเพราะปัญญาเพราะมันเข้าใจความจริงตรงที่กลางด้วยปัญญาเนี่ยนะถัดจากนั้นนิดเดียวเนี่ยอริยามรรคจะเกิดละถ้ายังภาวนาะจนจิตไม่ถึงความเป็นกลางอริยามรรคยังไม่เกิดออกแต่อย่าไปบังคับให้เป็นกลางนะอันนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากความทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อคืนปั่นการบ้านเนี่ยก็มันก็ติดอีกนะฮะนิด แต่มันมันเร็วกว่าเก่าค่ะมันหายเร็วไม่เป็นไรภาวนาอย่างนี้แหละไปทาอีกนะแล้วตอนเช้าตอนตีสี่ตื่นขึ้นมารู้สึกหนาวก็รู้หนาวแล้วอีกพักจันรู้สึกเหมือนไม่ค่อยจะรู้สึกมันเนียนๆนเบาเบ่รู้สึกหนาวแล้วจิตเราพอใจไม่พอใจก็ไม่่พอใจแล้วเนียนเนียนแล้วจิตเป็นยังไงเนียนเนียนก็ใครรู้ทันจิตนะ ต่อไปไม่ว่าอะไรกระทบน้าไม่เป็นไรแต่กระทบแล้วจิตเราเป็นไงรู้ทันไปฝึกต้องกรนมัสการนะคะก็เมื่อกี้ที่พอหลวงพ่อบอกส่งการบ้านหัวใจมันก็ปืบปืบปืบปบืแล้พ่อหลวงพ่อก็บอกว่าให้รู้ทันสภาวะที่มันเกิดก็พยายามรู้ทันแล้วก็อยากทราบว่าการตื่นเต้นเนี่ยเหตุมันมาจากอะไรแล้วทาไมถึงแบบ แต่พอเรารู้มันก็ค่อยๆนิ่งแต่มันก็จะขึ้นมาอีกอีกละอะไรเราไม่ห้ามมันหรอกน ะ, ะไม่ต้องไปห้ามมันแล้วไม่ต้องไปข้นขว้ามันหรอกเราแค่ว่าตื่นเต้นขึ้นมาแล้าใจเราเป็นยังไงตื่นเต้นมาเล้าใจเราไม่ชอบอยากให้หายเงี้ยเรารู้ทันใจไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ทันจิตไหมแล้วเดินจงกรมอะค่ะพยายามเดินแล้วก็นั่งมันโลภเห็นไหม มันเมื่อยค่ะมันปวดไปทั้งตัวอะไรประมานี้มันโลบเยอะมันเดินเยอะปวดมันมาจากตัวกูหรือเปล่าคะของกูอย่างเงี้ยแบบตัวยึดติดเลยรเงีไม่ยึดก็เมื่อยพระละหันเดินนานๆก็เมื่อยเหมือนกันนะลยควรละเรื่องกันนะยึดไม่ยึดนะร่างกายมันมีมันก็ปวดมันก็เมื่อยแหละะแต่อย่างเดินจงกรมนะบางคนสงสัยเดินจงกลมสิบห้านาทีนะกยอกไปทั้งตัวเลยเมื่อย ช้อปปิ้งทั้งหลายชั่วโมงไม่เป็นทําไมอ่ะทำไมช้อปปิ้งไม่เป็นเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจต้องเดินอย่างนี้นะต้องทําอย่างนี้นะไม่มีคำว่าต้องอ่ะมีแต่ไปเรื่อยๆงั้นเวลาเดินจงกรมนะถ้าเดินแล้วรู้สึกตัวไปไม่บังคับตัวเองมากนะก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยเท่าไหร่หรอกเมื่อยก็เมื่อยธรรมดานะไปโดยจิตอย่าบังคับจิตปล่อยให้มันทํางานไปตามสบายนะ แล้วค่อยรู้เอาความรู้สึกอะไรเกิดแล้วค่อยรู้เอา <c oughs> ไม่ต้องไปรอรู้ก่อนจะดูไม่ต้องไปรอดูนะให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยดูเ <c oughs> <peninsula> อาระหว่างดูก็อย่าไปอย่าไปถล่าลงไปดู <c oughs> ดูสบายๆดูเมืนความรู้สึกของคนอื่น <mumbles> ดูแล้วก็อย่าไปแทรกแซงนะไม่ต้องไปแทรกแซงไปดัดแปลงความรู้สึกทั้งหลายดีก็ได้ร้ายก็ได้ดูไปจะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไป จุดที่ของคุณยังพลาดอยู่เนี่ยอยู่ที่การไปดักดูไปรอดูนะอย่างไปเดินจงกรมเนี่ยก็จะคอยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าคอยดูอยู่จะเครียดอยู่นะงั้นดูสบายๆรู้สึกกายบ่อยๆนะดูที่กายบ่อยๆแค่รู้สึกนะไม่จ้องแค่รู้สึกกายนะอา้าวใครจะส่งกันบ้านบ้ามา ผมส่งการบ้านในรอบหนึ่งปีครับคือนั่งสมาธิก็หลับเดินจงกรมก็หลับโสดนมนก็หลับครับออไม่ทร<ด>าบวาผมทําอะไรผิดครับไม่ผิดหรอกมันเป็นอย่างนั้นแหละบางทีภาวนาไปนะจิตมันเบื่อจิตมันมีนิพิทาขึ้นมานะมันหลบหลับลูกเดียวเลยหลวงพ่อก็เคยเป็นอันเนี้ยแล้วทํำยังไงไม่ต้องกังวลทำไปเรื่อยๆ มันจะหลับนานแค่ไหนก็ช่างมันพอวนางเราไปเรื่อยๆเมื่อปีสองห้าสองหกห้าร้ลวงพ่อนั่งสมาธินะขนาดนั่งขัดเพชรก็หลับนะปวดมากๆยังหลับในเดินจงกรมก็หลับทำอะไรก็หลับลงเมือภาวนาเมื่อไหร่หลับเมื่อนั้นเลยแก้ไม่ตกเลยพอดีขึ้นไปเชียงใหม่วันที่หสิงหาไปขึ้นไปกราบหลวงปู่สิม บอกหลวงปู่ผมจะทำไงแก้ตัวนี้ไม่ตกหนะลวงปู่บอกผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรนะผู้รู้ปฏิบัติไปนะเดี๋ยวจะได้ของดีในพรรษา น, นี้แหละได้บ่างงี้นะพอท่านบอกว่าอย่าสงสัยเลยนะเราก็เลิกสงสัยอยู่เชียงใหม่วันหนึ่งวันที่6วันที่7ดเนี่ยขึ้นรถทัวร์กลับมาตั้งแต่เช้ามาถึงบางเขนนั่งรถทัวร์มาเรื่อยๆนะจิตที่ว่านั่งแล้วหลับนั่งแล้วหลับเนี่ยมันค่อยๆพอ นะกำลังของมันพอแล้วนะมันก็ค่อยๆตื่นขึ้นตื่นขึ้นนะแลถึงบางเขตเนี่ยมันเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมานะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวมันหลับก็หลับไปทำอีกลับก็พาวนาะค้าวที่เรามาส่งกันบ้านค่ะหลวงพ่อให้หนกกับไปดูกายมากขึ้นนะคะหนุก็พยายามดูแลขยับตัวยืนเดินนั่งนอนเยี้งคะ่ะดูแล้วเครียดไหม บางครั้งค่ะถ้าเครื่อนนี่แสดงว่าจงใจมากไปน ะ, ะดูสบายๆเห็นไหมตัวนี้ไปยักหน้าเนเนี้ยยิ้มเห็นตัวนี้ยิ้มตัวนี้สายหน้าตัวนี้เลยนะค่ะแค่รู้สึกรู้สึกบ่อยๆแล้วหนูรู้สึกไหมร่างกายนี่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าเห็นแล้วยังเห็นค่ะแต่ถ้าเห็นอย่างเนี้ยแสดงว่าขันมันเริ่มแยกแล้วลต่อไปหนูก็ทําอย่างเดิมนี่แหละจน ก, กระทั่งวันนึงปัญญามันแจ้งขึ้นมาเลยกายนี่ไม่ใช่เราหรอก เป็นเปลือกอะไรสักอย่างหนึ่งที่จิตมาอาศัยอยู่สังเกตไหมว่าพ อ, พอเริ่มเห็นตรงนี้บ้างแล้วล่ะพอใจไมใจมันสลดมันทนไม่ไหวมันยังรักกายมากดูออกไหมดูออกค่ะน้ำหูน้ําตาล่วงเลยนะพอเห็นตรงนี้เพราะมันมันรักกายมันจะเริ่มรู้ความจริงของกายแล้วว่าไม่ใช่ของเราที่แท้จริงอะ่ะเป็นของที่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวนะ อ, นาอนะก็อดทนนะภาวนาไิอีกทำดีขึ้นตั้งเยอะแล้วใช้ได้ฉลามีผลงานมาส่ง หนูดูกายไว้ดีแล้วนะกับนำมาส ก, การหลวงพ่อครับว่ามาเคยมาส่งกันบ้านเมื่อหลายปีแล้วนะจำหน้าได้อยู่ตอนนั้นจำได้ว่าหลวงพ่อบอกว่าให้ไปเจริญสติโดยการนั่งสมาธิแล้วก็สลับกันเดินจงกรมแต่เวลาผมนั่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว มันจะลักษณะมันจะไปเหมือนกับไปไปเพ่งนะครับก็เลยจะใช้วิธีสลับแต่ว่าจะเดินจงกรมซะมากกว่าได้คือที่ไม่ให้ทําอันเดียวกลัวไปเพ่งนั่นแหละเดินอย่างเดียวก็จะไปเพ่งอีกนะแต่ตอนเนี้เรารู้จักแล้วว่าเพ่งเป็นยังไงดูออกไหมว่มาขันมันแยกได้ดูออกครับนะเมื่อขันมันแยกได้แล้วเนี่ยแล้ว่าเราพร้อมที่จะเดินปัญญาแล้ว เราก็จะเห็นขันแต่ละขันนัแสดงใจรักให้เราดูเห็นร่างกายไม่หายใจของมันหัวใจเต้นของมันมันทํางานของมันนะเดี๋ยวกินอาหารขับถ่ายนะั้นมันทํางานของมันนะความสุขความทุกข์ก็ทํางานของมันใช่ไหมกิเลสก็ทําหน้าที่ของกิเลสจิตก็ทําหน้าที่ของจิตเนี่ยดูแบบนี้เรื่อยไปทาถูกต้องแล้วที่ทํามาหลายปีเนี่ยผมเข้าใจว่า ทำถูกต้องแต่ว่ายังทำไม่พอใช่ไหมครับอย่าไปรีบมากนะทำสม่ำเสมอไปทำถูกแล้วถ้ารีบจะเสียเหมือนมีเด็กอยู่ในท้องนะอยากให้รีบเกิดเร็วๆเดี๋ยวเด็กตาย้รอเวลาให้มันโตก่อนแนละ้วมันค่อยเกิดนี่ครูบาอาจารย์สอนมานะท่านบอกอย่าไปทำแท้งนะเือนภาวนา หรืท่านเปรียบเหมือนผลไม้ก็มีบางทีท่านก็เปรียบเหมือนผลไม้ให้มันสุกงอมแล้วมันอร่อยมันยังเพิ่ง อ, ออกใหม่ๆเขียวๆเราก็ไปเก็บมาบ่มแนละ้วไม่อร่อยนะการพาวนานี้เหมือนกันตอนนี้รอเวลาสุกงอมตอนนั้นแหละทําถูกแล้วรอให้มันสุกเองอย่าใจร้อนนะมีส่วนไหนที่จะต้องอไปปรับปรุงหรือแก้ไขไหมครับยังโลภอยูนะ่ไปรู้ทันตัวนี้นะ มันก็ยากเหมือนกันแหละไม่ให้โลภด้วยแล้วไม่ให้ขี้เกียจ ด, ด้วยปกติเราอาศัยความโลภเป็นตัวผลักดันให้ขยันนี่โลภ ก, ก็ไม่ได้ไม่โลภคนทั่วๆไปพอไม่โลภก็ขี้เกียจเลยเนี่ยในการตรงนี้ต้องใช้ความใจแข็งมากๆเลยไม่โลภด้วยไม่ขี้เกียจ ด, ด้วยขอกลราวเรียนอีกข้อเดียวนะครับเวลาที่ภาวนาไปมากๆเนี่ย เราผมจะมีความรู้สึกว่ า, อ, าอย่างเรื่องของครอบครัวเนี่ย mm hmm. จะมองเหมือนกับเขาจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับ mm hmm. จะห่างๆออกไป mm hmm. มันจะรู้สึกอย่างเดียวว่าที่ต้องทำเนี่ย mm hmm. มันเป็นหน้าที่ mm hmm. แต่ความรักความผูกพันเนี่ย มันน้อยลงไปเรื่อยๆเราเปลี่ยนจากราคะนะแต่เดิมเราเป็นราคานะตอนนี้มันจะเปลี่ยนเป็นเมตตานะทําด้วยความเมตตานะตัวเนี้สะอาดยิ่งกว่าราคะอีอย่าว่าแต่เมียเลยร่างกายเราจิตใจเราอย่างห่างออกไปเลย <c oughs> แต่อย่าไปบอกเมียนะ <c oughs> เราต้องเมตตาประคับประคองเพื่อให้ขาภาวนาไปเรื่อยๆ น้ำมศกาหลงพ่อครับอืมเมื่อกี้ระหว่างฟังคนอื่นส่งกันบ้านจิตมันก็กาลังคิดอยู่ว่าจะส่งกันบ้านอะไรหลวงพ่ออืแล้วก็ตื่นเต้นก็มันอยากจะหายอืมครับก็ตอนนี้รู้สึกตัวในแต่ละวันได้ได้ดีขึ้นได้บ่อยขึ้นครับจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนจิตผมมันจะชอบสุกซนอยากไปรู้ไปเห็นอเรื่องอื่นๆื่นเอ็นนิสัยน่ะมันไม่หายหรอกนะ ครแต่ว่าสติปัญญาเราทันมันมากขึ้นดีแล้วละแล้วก็จิตมันชอบปรุงอกุศลบ่อยๆฮะถ้ามันไม่ได้ครับนะไหนๆมันก็ปรุงอกุศลแล้วเราเจริญปัญญาเข้าไปเลยมันปรุงเองมันแสดงอนัตตาให้ดูอย่าไปตกใจครับผมก็ผมต้องขอกัรบ้านหลวงพ่อเพิ่มเติมครับผมก็อย่าไปบังคับมันนะรู้อย่างที่มันเป็นไม่มีอะไรหรอก การภาว น, นาไม่ยากอะไรหรอกขันมันก็แยกเป็นละครับฝึกเนาะขับขมขั บ, ข, บ, บขับหลวงพ่อเจ้าคะ่ะช่วงนี้ลูกภาวนาได้แค่เห็นความทุกข์กับสิ่งที่บังคับไม่ได้นั่นแหละดีไม่รู้ว่ามันหย่อนยานเกินไปหรือเปล่าเจ้าคะ่ะไม่หย่อนยานหรอกเพว่าสุขภาพไม่ค่อยเลื่อเฟือเ<อ>ท่าไหร่ภาวนาดี นานอย่างนี้ไม่เสียลายหรอกพอจะรอดได้ไหมเจ้าคะ่ะพอจะรอดหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อจะมีอะไรแนะนําคะนะสู้ตายเลยค่ะสู้ตายค่ะนะคือใจเราก็เด็ดเดียวอยู่แล้วล่วะเป็นคนที่เด็ดเดียวเราไม่ได้คิดจะเอาอะไรกับโลกแล้วไม่เอาคะ่ะเอนะแล้วก็มันเหมือนแบบว่าจะเอาแต่นอนหลับอืเหมือนแบบนั่งไม่ได้ไม่นานแล้วก็จะหลับเอหลับก็นั่ง แต่นขึ้มาภาวนาอีกก็สับงบอ่ะไม่เป็นไรคือมันป่วยด้วยก็ลงมือไปนอนภาวนาแล้วก็หลับไปอืรู้สึกขึ้นมาภาวนาอีกค่ะส่วนใหญ่แล้วช่วงนี้เขาจะหลับมากเลยค่ะอืกินยาหรือเปล่าไม่อ่ะค่ะคือทานสมุนไพรแล้วเขาเหมือนกับว่าเขากระทุงโรคให้เราซ่อมแซมอะค่ะอืแล้วร่างกายมันก็เหมือนกับว่า มันเพียมันจะหลับ<อ>ก็เป็นผลยาจัดยาใ ช, ใช่ไหมใช่ค่ะฆ้ามันไม่ได้หรอกแต่ถ้าถามว่าจิตใจรู้ว่าช่วงนี้พอมีกําลังหลวงพ่อว่าใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความเป็นกลางมากขึ้นแต่ความอยากก็ยังมีนะมีค่ะมีค่ะยังอยากอยู่อยากอยู่ค่ะ <S <S> <S เพราะว่าในลึกๆมันมีความรู้สึกว่า นี่เราทำขี้เกียจหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อจะแนะนําอะไรไหมคะกิ <c oughs> ถ้ายัางรู้สึกตัวอยู่ก็ภาวนาไปเลย <c oughs> ่อยค่ะภาวนาอยู่ไปเรื่อยไม่หวังผลอะไรค่ะดูท่าดูขันไปเรื่อยค่ะถ้ามันจะซึมไปก็พิจารณาช่วยมันคิดเลยก็ได้ <c oughs> คิดเรื่องร่างกายมีแต่ความแปลนปวนมีแต่อะไร <c oughs> มีแต่ทุกข์แต่โทษนะค่ะมองอย่างนั้นอยู่ค่ะนั่นแหละมองงนั้นนะมันจะได้แรง มองอยู่ค่ะมองแบบเห็นทุกอย่างที่ว่าเห็นกับของจริง อ, อแหลดีแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่รู้สึกรังเกียจรู้สึกว่าเออดีเหมือนกันเนาะอืมาสอนเราให้เราเห็นความจริงเ อ, อค่ะดีกราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะค่ะหนูมาส่งกันบ้านปีที่แล้วอ่ะค่ะหลวงพ่อก็บอกว่าเออมื่อวานนะปีที่แล้วก็เมื่อวาน <laughs> บอกว่าหนูเห็นแล้วว่ากายไม่ใช่เราแต่ว่ายังไม่เห็นนะคะว่าจิตไม่ใช่เราหนูก็ไปดูจิตให้ให้ให้บ่อยขึ้นนะคะทีนี้หนูสังเกตว่าหนูจะเห็นความเป็นอนัตตาได้ได้มากกว่าอนิจจังนะคะได้นะในไตรักษณ์เห็นอะไรก็ได้ค่ะแล้วมันจะมีสองสภาวะคือลักษณะการเห็นเรื่อยๆค่ะกับเห็นแบบแรงๆนะคะเห็นเรื่อยๆมันก็จะเห็นแล้วก็จบไปค่ะแต่เห็นแรงๆเนี่ยอย่างเช่นวันก่อนที่ กำลังโกยข้าว ใ, ใส่ถังอาหารที่วัดอะคะ่ะแล้วก็มันมีอะไรไม่รู้ไตกที่เท้าะคะ่ะก็หันลงไปดูก็เห็นเป็นสีว่าเป็นสีเทาแล้วก็มีมจุดสีน้ำเงินสัพพะสัญญามันบอกะะว่าตุกกวัตุแกวแล้วสังขารมันก็บอกดู ตุ๊กแกจะกระโดดกัดดูดเลือดที่คองเงี mm ้ยค่ะตัวมันก็กระโดดถอยหลังอ่าเ mm ี้ยค่ะแต่ว่าระหว่างนั้นหนูไม่ได้เห็นเป็นช็อตช็อชอชอ็ชอแบบนั้นนะคะ mm hmm. หนูมาเห็นอีกทีตอนตัวเองร้องว่าตุ๊กแกแล้วกระโดดถอยหลัง mm hmm. แต่สักพักเหมือนจิตเขาไปไปรวบของเขาเองเลยเขาอ๋อนี่เองสัญญาสังขารทํางานแบบนี้แบบนี้เธอเพิ่งเข้าใจมันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ปิ้งขึ้นมาแบบแรงๆอะค่ะ hmm. แต่อันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นไม่บ่อยอันนี้ไม่บ่อยหรอรู้แบบนี้ไม่บ่อยนะ เราทําแบบแรกไปได้แล้วแบบที่สองเนี่ยนานๆเป็นทีหนึ่งนะแล้วก็อย่าไปอยากให้มันเป็นนะถ้าอยากให้มันเป็นนะมันจะคิดเอาปัญญาจะล้าหน้าไม่ดีเลยนะ <ผม S 1> ทุกแกแต่ต้องรู้นะทุกแกไม่ไม่ไมดุดเลื่อง น, นะมันปรุงไมลเออปรุงนะดีไม่โดดแล้ะเหยียบทุกแกเขาด้วยอหลวงพ่อมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมเจ้าหา วันนั้นดีนะมีตุ๊กแกตุ๊กแกเขาเชื่องนังเลยนะไม่มาเดินแต่ขาคนดีไปเพราะนานนั่นแหละทำอีกทำไปว่าหลวงพ่อก็ตุ๊กแกเป็นร้อยเลยสวยนะตุ๊กแกบางคนว่าอร่อย <laughs> ออาว่ามา น้นมาซการเจ้าค่ะหลวงพ่อตอนนี้หนูก็เน้นการเดินจงกรมในรูปแบบอะเจ้าค่ะช่วงหนึ่งก็จะเดินจงกรมหลายรอบอะเจ้าค่ะเราทีนี้เวลาที่ในชีวิตประจาวันน่บางครั้งที่เราเดินแล้วเรารู้สึก ว่ากายมันเดินอันนี้มันคือการจิตมันจําสภาวะเดินได้หรือเปล่าเจ้าคะมันมันมันไม่ได้เจตนาจะรู้ใช่ไหมเจ้าค่ะมันรู้เองมันเห็นกายเดินไปจิตมันเป็นคนดูค่ะจิตมันตั้งมั่นมันแยกขันออกไปมันเห็นกายมันเดินนะค่ะคือหมายถึงตอนที่โยมอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ใช่ตอนอยู่ในการเดินจงกรมใช่นั่นแหละดีตอนเดินจงกรมไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะจงใจอยู่ พอดีนั่งสมาธิแล้วมันจะติดซึมอะค่ะถ้าซึมไม่เอาอะะนจิตจิตที่มันจะมีตัวพื้นจิตซึมเศร้าไม่ทราบว่าตอนนี้มันหลุดออกมามัางหรือยังจ้าเราต้องดูเอานะดูเอาแต่เราพอนานเนี่ยอย่างเราเดินจงกรมเลยเลยเราไม่ได้เอาเดียวอะไรนะเราเอาสตินะเอาสติเอาปัญญาเดินไปไม่ได้เอาเวลาด้วยว่าจะเดินกี่ชั่วโมงไม่ได้เอาระยะทางว่าจะเดินกี่เที่ยวน เดินเอาสติเอาปัญญาเดินไปรู้สึกตัวไปเห็นกายทํางานเห็นจิตทํางานเดินเหมือนนันแหละแต่ถ้าเดินแล้วขาดสติก็หยุดก่อนทาความรู้สึกตัวใหม่ไม่ใช่เดินแล้วก็ใจหนีไปไหนก็รู้เดินได้ครบชั่วโมงแล้วก็พอใจใช่ค่ะมันมีเป็นบางครั้งเดินไปแล้วมันจะอย่างที่หลวงพ่อว่าจ้ะค่ะก็คือให้หยุดไปก่อนใช่ไหมหยุดเดินนะหยุดเดินแต่ไม่ออกจากที่จงกลมนะ เดี๋ยวทำความรู้สึกตัวก่อนแล้วเดินใหม่เจ้าค่ะไม่ใช่ว่าพอเดินโจงกรมพอใจลอยเลยเลิกเดินไปนอนไม่ใช่นะค่ะแล้ตอนนี้พอดีว่าดูข่าวทีวีเยอะเกินไปแล้วจิตมันก็เลยฟุ้งซ่านเนี่ยนะเจ้าค่ะต้องรักษาจิตของเรานะอะ <c oughs> ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ดูแลจิตใจของเราให้ดีแต่สามารถดูได้ใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพอ่อ ดูจิตของเราให้เยอะไว้ถ้าดูข่าวแล้วกิเลสเกิดนานๆดูทีก็ได้มันไม่ค่อยไปไหนหรอกขอการบ้านหลวงพ่อจ้ะค่ะนั่นแหละดูจิตบ่อยๆเราวิหารละทาในชีวิตประจำวันที่ก็ดูจิตดูใจของเราไปเรื่อยๆนะนวัสการค่ะกราบนวัสการเจ้าค่ะ คือไม่แน่ใจว่าภานาดีขึ้นหรือแย่ลงเพราะรู้สึกโมโหแรงมากขึ้นนะคะ<ม>อย่างเช่นสถานการณ์<ม>อย่างเมื่อาวานระหว่างหลวงพ่อเทศมีเด็กชวนพ่อคุยแล้วพ่อก็ไม่บอกให้ลูกหยุดอะไรเงะยค่ะ<ม>ก็หงุดหงิดอะไรเงี<ม>้ยแล้วค่ะหรือ<ม>ว่าก็ถูกแล้ว <laughs> แต่ว่าสถานการณ์เก่าๆเนี่ยรู้สึกว่าจะจะวางได้ไวขึ้นแต่ว่าพอดูไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้วางจริงวางด้วยโทสะเหมือนกันนะเจ้าค่ะเฉลฉลาดขึ้นอ่ะเย่างน้อยเรารู้ว่าวางเพราะอะไรแล้วก็เกิฑภาวนาไม่ใช่มุ่งเอาอะไรหรอกนะมุ่งให้รู้ธรรมเท่านั้นแหละรู้ความจริงลอกเปลือกตัวเองออกมาเราเห็นเลยตัวจริงเราเป็นยังไงนะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปมันก็ลดละของมันไปค <c oughs> คือหลวงพ่อให้ดูจิตไหลไปคิดแต่ว่าส่วนใหญ่รู้ไม่ทันความอยากไปรู้ตอนมันไปจ้องแล้วก็แข็งแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถูกแล้วล่ะถ้ารู้ทันตั้งแต่เริ่มมันก็ไม่ไหลสิอ๋อค่ะนะให้ไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะไหลไปก่อนแล้วรู้งั้นก็ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรอนะเจ้าค่ะรู้สึกตัวไปรู้สึกสบายๆดูกายนี้เหมือนดูคนอื่นดูใจนี้เหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยนะวาง ค, ความรู้สึกไว้ว่าเหมือนเราดูคนอื่นไปเรื่อยๆ แล้วควรจะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรรู้ทันไงค่ะรู้ทันไปนะว่าจิตเราไปปรุงอะไรเรารู้ทันนี่มันไปปรุงตัวรู้มาเราก็รู้ทันเจเป็นยังไงเราก็รู้ทันงั้นก็โมโหเห็นความโมโหต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้โมโหได้นะแต่ไม่ล้นออกไปทางกายทางวาจาอย่าให้ผิดศีลนะ แล้วแล้วอย่างคนเขาทำไม่ถูกอย่างนี้เตือนเขาได้ไหมคะอย่างเมื่อเช้าเจอคนกดโทรศัพท์ตุ๊ดตุ๊ตตตก่อนหลวงพ่อจะเข้ามานะคะแล้วเขาไม่ปิดเสียงก็หงุดหงิดนะค่ะท<อ>่านแรกอย่าเพิ่งไปเตือนเขาเพราะเรายังมีโทรสารอยู่น ะ, ะถ้าเรากำลังมีโทรสาไปเตือนเนี่ยเขาจะมีโทรสาตอบเราเจ้าค่ ะ, <น>ะเราต้องแผ่เมตตาก่อนสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ, อคเรายังโมโหอยู่ดันหนีไปก่อนเตือนไปเรายี่สิบนาทีถึงคอยเมตตาเจ้าค่ ะ, คะ ด, ดูจริงอย่างนี้เจ้าค่ะก็กา้กลับอ้า <c oughs> นคุณเจ้าค่ะวันนี้หมดเวลาเชิญกลับบ้านแต่ว่าพระจะสวดพระปริท์นะถ้าใครจะอยู่ฟังก็ได้ใครไม่อยากอยู่ก็เชิญออกไปได้นะประมาณครึ่งชั่วโมงอะนะ รระหว่างท่าพระสวนมนนะเราก็ทำสมาธิไปถือว่าเป็นการปฏิบัติล้อยู่ในขั้นการปฏิบัติจริงๆทำสมาธิเอาพระสวดเสร็จแล้วเราก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแผ่มเมตตานะปีใหม่ทำบุญหลายๆอย่างธรรมดาจะทำพิธีอะไรก็ตามนะ้อขอสีญก่อนประหยัดเวลา ใหพวกเราตั้งใจรักษาศี่ห้าเอาเองก็แล้วกันเอวังโคตุเอวังโคตุโยจจปุเพปปัมมชิตวาปัชชาโซนะปัมมะจติโซมังโลกังปพาเสตีอาพามุตตวจันณิมายาสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนภะเฮติโซมังโลกังปพาเสตีอาพามุตโตวจันณิมา อาภิวาทนาสีลิสนิจจังวุทธาปจายโนจตารธรมาวัฏันติอายุวนโน ส, สุขังภะลัง